เรื่องที่เจ็ดตึงตึงมีหลายอย่างเขาตึงเราก็มีเราตึงเขาก็มีต่างคนต่างตึงกันก็มีแต่ไม่ว่าจะตึงแบบไหนก็ตามเป็นเหตุไม่สบายใจทังสิน้นเพราะตึงนักก็มักจะขาดเมื่อมันยังไม่ขาดเราวิตกว่ามันจะขาดเมื่อมันขาดแล้วก็ไม่วายเสียด้ สายพินที่เก่ามากแล้วขมิงนิดก็ขาดหน่อยก็ขาดน่าเกลียดน่าลำคานแต่ถ้าใครคิดจะหาความสำราญจากสายพินเก่าและตึงมากก็เป็นกรรมของสัตว์พระสัต์สดาทรงสอนไว้แล้วตึงที่ว่านี้ก็จะเห็นไม่ต้องจารัยอะไรมากเพราะใครๆก็เคยรู้มาแล้วและเคยตึงมาแล้วทั้งนั้น อาการที่เราเรียกว่าตึงนั้นทางศาสนาใช้คําว่าอุปนาหะแปลว่าความผูกโกรธหมายความว่ามีใครคนหนึ่งทําให้เราโกรธเกิดความเดือดรานครั้นต่อมาความเดือดรานนั้นก็ระงับลงแล้วคือไม่เดือดรานแล้วละ่ะแต่จะให้คืนดีกับเขาอีกก็ไม่ได้มันยังรู้สึกเจ็บใจอยู่ แต่จะคิดร้ายหมายคาดอะไรเขาก็เปล่าเป็นเพียงความชอกช้ำในใจเท่านั้นท่านผู้ใดอยากรู้จากเรื่องนี้ละเอียดกว่านี้กรุณาเปิดดูในเรื่องสนิมในใจเบิดประพันธ์ลำดับที่12ของผมซึ่งเป็นหนังสือที่แพร่หลายอยู่แล้วในที่นี้ขอเสนอทางรัดสู่ความสงบใจอย่างง่ายๆเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องหยูกยาก็หมายความว่า ผมไม่ต้องการเขียนตำรับยาไม่ใช่วิชาเภสัชกรแต่เป็นยาเม็ดสำเร็จรูปแล้วเพียงน้ำกลัวคอนิดหน่อยแล้วกลืนกลัวลงคอไปก็เสร็จทุระความผูกโกรธที่เราพูดเป็นไทยๆว่าตึงนั้นเป็นคำแปลที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะถ้าใจของใครโกรธไว้แล้วมันตึงจริงๆหัวใจก็ตึงใบหน้าก็ตึง ริมฝีปากก็ตึงมันตึงไปทั้งนั้นแหละเวลาพูดกับคนที่เราผูกโกรธไว้คอก็ตึงบางทีก็ยังทำหัวแม่มือตึงๆประกอบอีกด้วยคำพูดที่พูดออกมาก็ตึงเปี้ยจำกัดที่สุดไม่มีอะไรเลยเช่นไปกินไม่เอาเชิญอย่างนี้เป็นตน้นที่มันตึงก็เพราะเราผูก หรือบางทีเขาก็ผูกหรือต่างคนต่างผูกถ้าไม่ผูกมันก็ไม่ตึงพูดอย่างนี้บางท่านอาจนึกแย้งว่าคนที่โกรธกันนั้นเขาตัดขาดกันแล้วต่างหากทาไมจึงบอกว่าผูกละ่ะถูกแล้วคนผูกโกรธนั้นถ้าดูเผลอเหมือนคนตัดขาดจากกันแต่ความจริงเขาตัดนอกแต่ตึงในปากก็ว่าฉันตัดขาด ตายไม่ต้องเผาผีกันแต่ความจริงแล้วใจไม่ได้ตัดปากว่าไม่อยากฟังเขาพูดเหม็นขี้ฟันแต่ใจก็อยากรู้ว่ามันพูดว่ายังไงปากก็ว่าตัสวาดขาดเยื่อใหญ่มาแล้วมันจะไปควงกับใครก็ช่างมันคนผีผีผันนั้นแต่ใจก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้กับใครนี่นะหรือที่ว่าตัดขาดไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลย กลับยิ่งตึงหนักเข้าไปอีกเสียด้วยซ้ำเรื่องความทุกข์นั้นไม่มีปัญหายิ่งไปตึงกับใครไว้มากๆยิ่งทุกข์มากถ้าสมมติว่าเราไปตึงไว้กับใครคนหนึ่งที่ในตรอกใดก็ตามจะเดินผ่านตรอกนั้นทีไรใจก็ตุ้มๆต่ำๆยิ่งถ้าตึงกันในครอบครัวระหว่างผัวเมียก็ยิ่งแย่ใหญ่ลูกเต่าใจหายใจคว่ำ กลัวจะขาดปึงออกจากกันจริงๆบางแห่งตึงกันเป็นทางการก็มีอย่างเช่นโรงเรียนกับโรงเรียนถึงกับยกพวกตึงกันเลยก็มีแล้วทีนี้จะทำอย่างไรถ้าจะหาความสงบให้ได้ก็จะต้องแก้ตึงให้ตกก่อนที่จะแก้ก็ไม่ยากเห็นเห็นอยู่แล้วนึกถึงว่ามีคนสองคนจับปลายเชื่อคนละข้าง เชือกมันตึงจนจะขาดอยู่แล้วท่านจะแนะนำเขาได้ไหมว่าทำอย่างไรเชือกจึงจะหายตึงแน่นอนคนใดคนหนึ่งในสองคนนั้นควรจะปล่อยเชือกนั้นเสียการผูกโกรธกันก็เหมือนกันแก่วิธีเดียวกันคือเราปล่อยเสียแต่การที่จะปล่อยได้ต้องหันมาแก้ทิฐิเสียก่อนทั้งหมดของคนที่ไม่ยอมเลิกโกรธนั้น จะต้องมีความเห็นผิดคือคิดไปว่าถ้าตนเลิกโกรธเสียตนจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบและคิดว่าการที่เราฝูกโกรธไว้เป็นการลงโทษฝ่ายตรงกัข้ามนี่สิที่ว่าความเห็นผิดที่ถูกควรจะเห็นเสียใหม่ว่าผู้เลิกโกรธได้ก่อนเป็นผู้ได้เปรียบและความจริงก็เป็นเช่นนั้นถ้ามีใคร ยิงลูกศรมาปักที่ร่างกายของเราการที่เรารีบชักลูกศร น, นั้นออกแล้วรักษาแผลให้หายเร็วที่สุดกับการที่เรารักษาลูกศร น, นั้นไว้ไม่ยอมชักออกอย่างไหนจะเป็นความฉลาดมากกว่ากันและอย่างไหนจะเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันเมื่อแก้ทิฐิอย่างว่าได้แล้ววิธีปฏิบัติต่อไปก็ง่ายนิดเดียวดังจะขอเสนอแนะไว้ย่ อ, ยอ ต่อไปนี้หนึกรณีที่เราเป็นผู้ผูกโกรธแต่ฝ่ายเดียวซึ่งมีอยู่มากเหมือนกันแต่ข้างโน้นเขาไม่รู้ตัวว่าเราโกรธหรือว่าเราหายโกรธแล้วแต่ความจริงใจเรายังตึงอยู่ในกรณีนี้ไม่มีปัญหาปล่อยวางไปได้เลยไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรนึกจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ปล่อยได้ 2. กรณีที่เรากับเขาต่างฝ่ายต่างผูกโกรธต่อกันเราก็ไม่ต้องคํานึงว่าเขายังผูกอยู่หรือไม่เราปล่อยวางสิก่อนเพราะคนปล่อยก่อนย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบเหมือนคนสองคนชักเยือกกันคือดึงปลายเชือกคนละข้างจนเชือกตึงเปี้ยอยู่แล้วถ้าฝ่ายนี้ปล่อยเชือกเสียตัวก็ไม่หกล้มแต่อีกฝ่ายสิจะหัวถล่มตําดินไปเอง การปล่อยวางความโกรธที่แต่ละฝ่ายผูกไว้จนตึงก็เหมือนกันผู้ใดปล่อยก่อนผู้นั้นได้เปรียบ3กรณีที่เขามาผูกโกรธเราฝ่ายเดียวคือเราไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทำให้เขาโกรธแต่เขาได้โกรธเสร็จแล้วและกำลังผูกโกรธอยู่ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยผมเองก็มีคนที่แอบโกรธบางคนก็มาบอกทีหลังว่าเขาแอบโกรธเรา บางคนก็ไม่ได้บอกอย่างเช่นคราวไปแสดงปาถักถาที่วัดดอนยายหอมนคมปรปฐมนั่นก็เหมือนกันในวังเล็บพุทธศักราช2 5งพั้างทางวัดท่านหลวงพ่องเงินเมื่อเชิญผมไปปาถักถาผมก็ขับรถไปเองจากกรุงเทพไปถึงแล้วก็จอดรถไว้ข้างสาราวัดตัวขึ้นไปแสดงปาถักถา กลับลงมาได้ความว่ามีคนมาแอบเปิดลมออกจากยางรถหมดในวงเล็บแต่ตอนที่ลงมานั้นทางวัดได้จัดแจงสูบลมไว้ให้แล้วทราบจากหลวงพ่อภายหลังว่าคนนั้นเขากโกรธผมว่าผมขับรถแซงขึ้นหน้าเขาเมื่อตอนมาแสดงปาฐกถานี่เองพุทโธพุทถังเอ๋ยผมเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทำความเดือดร้อนแก่เขา เรื่องทานองนี้ผมคิดว่ารายอื่นๆก็ยังมีอีกอย่างเช่นบางคนทาความเคารพผมแล้วผมไม่เห็นจึงไม่ได้เคารพตอบทั้งๆที่ผมเองนิยมความเคารพนบนอกเป็นที่หนึ่งนามสกุลของตัวก็บอกอยู่แล้วแม้แต่นักโทษและคนโรคเรือ้อนเขาว่ายก็ไหว้ตอบทุกทีแต่คราวผมเผลอมันมีก็เลยถูกหาว่าจองหอง เหตุการณ์ทานองนี้แม้ท่านผู้อ่านเองก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือมีแอบโกรธแอบขัดใจทางแก้ก็มีอยู่เพียงว่าหากรู้ตัวเขาเราก็ขอโทษและบอกความจริงให้เขาทราบเสร็จกันไปแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นใครคือมีทางเดียวขอแผ่เมตตาให้เอาความบริสุทธิ์ใจของเราเป็นที่ตั้ง อ้างสัตว์อธิษฐานต่อพระรัตนตรัยขอให้ช่วยแก้ไขเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 4. ประการสุดท้ายคือมีคนคิดว่าเราโกรธเขาทั้งที่เราเองไม่ได้โกรธและไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่าผู้นั้นได้ทำอะไรเราบางคนกระดักใจอยู่ถึงสิบปีจึงมาบอกว่าเขาคิดว่าผมโกรธ และในระหว่าง1ิปีนี้เขาได้สังเกตว่าผมได้พูดกระทบกระแทกเขาหลายครั้งสแสดงว่าผมยังโกรธเขาจริงๆอย่างนี้ลูกช้างจนใจและถ้าได้แก่ท่านผู้อื่นบ้างจะทำอย่างไรกรุณาแนะนาผมด้วยและถ้าผู้ใดได้อ่านบทความนี้แล้วคิดว่าผมโกรธท่านผมกราบละขอความกรุณาจดหมายบอกด้วย เพราะเวลานี้นึกไม่ได้จริงๆว่าได้ผูกโกรธใครไว้แม้แต่คนเดียว